แนะนำบทอัลไลบทอัลไลเป็นบทมักกิยะมี21องคองการบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดด้วยความมืดของมันด้วยเวลากลางวันเมื่อมันฉายแสงออกทำความสว่างให้แก่โลกทั้งมวลและพระผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ทรงบังเกิดมนุษย์มาเป็นเพศชายและเพศหญิงการงานของมนุษย์นั้นย่อมแตกต่างกัน และแนวทางของพวกเขาก็แตกต่างกันบทได้เปิดเผยแนวทางแห่งความสุขและแนวทางแห่งความทุกข์โดยได้เขียเส้นเอาไว้เพื่อเป็นขอบเขตสําหรับผู้สแสวงหาความรอดพ้นและได้ชี้แจงถึงลักษณะของผู้ทรงคุณธรรมและคนที่ทําชั่วชาวสวรรค์และชาวนรกได้เตือนผู้ที่ล่มหลงทรัพย์สมบัติด้วยการเก็บรวบรวมมันโดยกล่าวว่าพวกมันจะไม่อํานวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยในวันกิยามะและได้ตักเตือนพวกเขา ถึงเคล็ดลับของอัลลอฮ์ในการชี้แจงแก่พวงเบาของพรงุงแนวทางแห่งความดีและความชั่วบทนี้ได้ตักเตือนชาวมักกาถึงการลงโทษของอัลลอฮ์และการจัดการของพรงุงแก่ผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆและรถสูญของพรงุงและได้เตือนพวกเขาให้ทราบถึงไฟนรกอันร้อนแรงบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตัวอย่างของผู้ศรัทธาที่ดีซึ่งบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาไปในทางที่ดีเพื่อขัดเกลารตัวของเขาและปกป้องตัวเอง ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮด้วยพระนามของอัลลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุม และด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงถ้าจริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงอัลลอ์และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดายและส่วนผู้ที่ตาณีถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความยากลำบากอย่างง่ายดาย และซ้ำสมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกลงไปในนรกแถ้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชี้แนะทางนำและแ้้จริงประโลกและโลกนี้เป็นของเร า, าดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟอันลุกโชน ا إ ไม่มีผู้ใดเข้าไปในนั้นนอกจากคนเลวสามที่สุดคือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาวตนเองและที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทนนอกจากว่าเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้พิบาลของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น และเขาก็จะพึงพอใจ